เรื่องที่37ทางเวรความเจริญของคนเราก็คล้ายๆกับความเจริญของธรรมชาติอย่างอื่นเหมือนกันไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถ้าจะเจริญก้าวหน้าไปแล้วมันก็จะมีที่ติดให้มีอันติดโน่นติดนี่จิปัถะ์ทำท่าจะแย่เอาเสียให้ได้ชั้นที่สุด แม้แต่จะปลูกต้นไม้ไว้ดูดอกเย็นๆตาสักต้นเดียวก็มีอันติดดินไม่เหมาะน้ำไม่พออากาศไม่ให้ต้องคอยปลดไม่ว่ามันติดที่ไหนปลดให้ได้หมดแล้วจึงจะสำเร็จความเจริญของคนเรานี้ก็เหมือนกันที่มันไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่เราคิดว่าจะเป็นก็เพราะมันติดบางคนมีความรู้ดีเรียนเก่ง ทำอะไรก็เป็นแต่ไปติดเกียดครั้นสีอย่างเดียวก็ไปไม่รอดบางคนความรู้ดีขยันก็ขยันแต่ติดไม่ซื่อเหลวอีกบางคนความรู้ก็มีความดีก็พร้อมแต่ติดโรคสังขารไม่อำนวยแย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสร้างชีวิตตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ ท่านจึงสอนให้สนใจดูทั้งสองทางคือดูว่าเรามีปัจจัยที่จะทำให้ก้าวหน้าอยู่ในตัวพอไหมถ้าพร่องก็ให้เติมแล้วต้องดูด้วยว่าเราติดที่ไหนบ้างถ้าเจอก็ให้ปลดคนที่พร่ำแต่จะก้าวหน้าคำว่าก้าวหน้าสองคำก็ก้าวหน้าฝ่ายฝันแต่อนาคตอันสดใสแต่แล้วตัวติดอะไรอยู่หนืดหนืด ไม่ยอมปลดก็เหลวเรื่องติดของคนเรามีทั้งทางกายทั้งทางใจแต่ถ้าเอาเทียบกันดูแล้วติดกายนะ่ะไม่เท่าไหร่แต่ติดใจสียร้ายปลดยากเปืืองยากวันนี้อยากจะชวนให้คิดถึงเฉพาะเรื่องติดทางใจเรื่องติดใจของคนเราลองแยกดูแล้วมีอยู่ถึงสามทางคือทางที่หนึ่งติดนิสัย คือเราได้ทําอะไรที่ไม่เหมาะมาจนเคยชินเสียแล้วกินเหล้าจนชินสูปฝิ่นจนชินที่หลังรู้ว่าไม่ดีก็เลิกยากอยากจะตั้งสติให้มั่นสักทีไม่สําเร็จติดอย่างนี้ติดนิสัยทางที่สองติดกิเลสคืออยากทําอะไรอะไรเอาดีให้ได้สักทีแต่ทนรู้อํานาจเกี่ยความโลภความโกรธ ความหลงไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าติดกิเลสทางที่สามติดสันดานคือพื้นเพของใจมันโน้มเอียงไปทางนั้นเสร็จแล้วฝืนก็ไม่ได้ถึงได้ก็ไม่ตลอดเหมือนอย่างคนสันดานไม่รักดีถึงใครจะช่วยซุกใสความดีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทนไม่ไหวเอาดีไม่ได้เพราะมันติดติดอย่างนี้เรียกว่าติดสันดานของตนเอง รวมความว่าที่ติดทางใจของคนเรามีอยู่3ามสถานคือ 1. ติดนิสัย 2. ติดกิเลสและ 3. ติดสันดานตัวเองการเปลืองตัวจากที่ติดทั้ง3นี้ยากทั้งนั้นเราต้องช่วยตัวเองให้มากเมื่อพุทธิแล้วได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังดูที่ติดร้ายแรงอย่างหนึ่งคือเวร เวรเป็นเครื่องติดอย่างหนึ่งในประเภทติดสันดานคือติดลึกซึ้งจนกระทั่งเราเองก็มองไม่เห็นอย่างเช่นเวลานี้เราถูกเวรเกาะเกี่ยวอยู่หรือเปล่ารู้ไม่ได้ในหลักฐานคำสอนของศาสนาปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเปิดเผยถึงเรื่องนี้อย่างน่าฟังคือสุภาษิต ท, ที่ยกมาอธิบายเมื่อวันพุธก่อนที่ว่า นะิเวเรนะเวราณิเวณย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวณที่นำพุทธวจนะบทนี้มาเสนอท่านผู้ฟังก็เพื่อชี้ให้ดูที่ติดอีกที่หนึ่งซึ่งน่าสนใจเพราะเป็นที่ติดเร้นลับเห็นยากและปลดยากเราจะรู้จะเห็นได้ทางเดียวคือค้นคว้าจากหลักฐานทางศาสนาซึ่งเป็นเหมือนบันทึกผลการวิจัยของพระพุทธเจ้า ผู้เชี่ยวชาญยอดยิ่งในปัญหาจิตจิตใจใจเรื่องนี้ขอตั้งประเด็นไว้อธิบายเป็น3ามแขนแงคือความหมายของคำว่าเวนผลได้ผลเสียแล้ววิธีปลดเปลื้องตัวจากเวนที่ว่าเวนเวนคืออะไรวันก่อนได้ให้คำอธิบายไว้ย่อๆว่าเวนคือการจองล้างจองผลาญแล้วก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นว่า การผูกเวรกับผูกพยาบาทไม่เหมือนกันมันเป็นการผูกใจจะทําลายคนอื่นเหมือนกันแต่วิธีผูกต่างกันผูกพยาบาทนั้นคนผูกเขาเอาความเจ็บแค้นในใจของเขาเป็นที่ตั้งคิดผูกใจว่าถ้าได้เล่นงานอีกฝ่ายให้สมแค้นแล้วก็จะเลิกขอทําลายพอล้างความแค้นออกจากใจของเขาเท่านั้นส่วนผูกเวรเป็นการผูกไม่มีขอบเขตสิ้นสุด ตั้งใจว่าจะขอเป็นคู่ล้างคู่ผลาญกันให้ตลอดถึงไหนถึงกันเพราะฉะนั้นเมื่อวันก่อนจึงเปรียบให้ดูว่าเหมือนการผูกเชือกผูกพยาบาทเหมือนผูกเงื่อนเป็นส่วนผูกเวนเหมือนผูกเงื่อนตายคืออย่างหนึ่งผูกเพื่อแก่อีกอย่างผูกเพื่อไม่แก่ปัญหาเรื่องเวนคืออะไรเท่านี้ก็พอจะเห็น จะขออธิบายในประเด็นที่สองคือผลได้ผลเสียและเรื่องชี้ผลได้ผลเสียนี้จะไม่พูดถึงปลายเหตุเช่นถูกคู่เวรเผาบ้านตีหัวขโมยวัวไปค่าเพราะมันเป็นปลายเหตุเห็นไม่ยากนักที่จะพูดนี้พูดยากๆคือที่ต้นเหตุทีเดียวฟังก็ยากพูดก็ยากแต่เข้าใจแล้วดี ขอให้ท่านตอบคําถามสักสองสามคำถามเสียก่อนแมวทําไมจึงชอบเดินเข้าไปหาปหลาใหญ่มดทําไมจึงชอบไต่อยู่ที่โถน้ําตาลมาแมลงวันทําไมชอบเกาะที่ของเน่าเราจะได้คําตอบตรงกันว่าเพราะมันชอบกินของพวกนั้นเป็นอาหารสัตว์ต่างๆมันจะไปจะอยู่ที่ไหนสําคัญที่ใจของมันใจไป ตัวมันก็ไปใจอยู่ตัวมันก็อยู่ทีนี้ใจทุกใจมันชอบอยู่ในที่ที่มีอาหารที่มันชอบเพราะเหตุนี้แหละแมวจึงเดินไปวนเวียนอยู่ใกล้เห็้ปลาย่างมดจึงได้ไปไปมามาอยู่ใกล้ๆน้น้ำตาลและมแมลงวันก็ตอมปลาตอมไปอยู่รอบๆอบของเน่าถึงใจคนเราก็เหมือนกันมีอาหารใจอยู่ที่ไหน ก็ชอบไปตามอยู่ที่นั่นอาหารใจอยู่สนามม้าก็ชอบไปที่สนามม้าอาหารใจอยู่ที่สนามมวยก็ไปอัดกังอยู่ที่สนามมวยอาหารใจอยู่แถวตรอกไหนซอยไหนก็ไปป้วนเปี้ยนเวียนวนอยู่แถวนั้นที่ไปก็เพราะใจจะกินอาหารนั่นเองทีนี้ใจคนเรานี้มันแปลกกินอาหารแปลกแปลก แล้วแต่ใครจะฝึกอบรมไว้อย่างไรหากฝึกอบรมไว้ในทางร้ายใจคนเราก็ชอบกินเรื่องร้ายๆเป็นอาหารเห็นคนยิ้มแย้มเข้าหากันใจเฉยๆแต่ถ้าเห็นคนชกต่อยกัดฟันเข้าหากันอิ่มใจยิ่งกว่ากินข้าวการผูกเวรหรือผูกใจจะเป็นคู่ล้างคู่ผลานคนอื่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ฝึกอบรมใจให้ชอบอาหารร้าย คือมีความพินาศย่อยยับของคู่เวรเป็นอาหารอันโอชาหมายความว่าใจของคนผูกเวรเขานั้นมันเกิดอยากกินความพินาศของอีกฝ่ายหนึ่งถ้ารู้ว่าเขาพินาศแล้วก็อิ่มใจเหมือนตัวได้ยศได้ศักดิ์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะมีอะไรตามมาทา่ทานทั้งหลายลองคิดดูแมวมันชอบกินปลาย่างแล้วมันทำยังไง ่็ไปวนเวียนอยู่ใกล้ๆปลาย่างมดมันชอบกินน้ำตาลแล้วมันทำยังไงมันก็ไปแต่อยู่ใกล้ๆโถน้ำตาลแมลงวันมันชอบกินของเน่าแล้วมันทำยังไงมันก็ไปตอมอยู่ที่ของเน่าๆทีนี้ใจคนที่ชอบกินความพินาทของคู่เวลามันจะทำยังไงแน่นอน มันก็จะไปเวียนวนอยู่ใกล้ๆกับที่ที่มีคู่เวรจึงจะสบายใจที่จริงเขาเกลียดตัวคนที่เป็นคู่เวรไม่ใช่รักไม่ใช่พิศวาสแต่ที่ใจไปเกาะเกี่ยววนเวียนอยู่ก็เพราะจะคอยกินความพินาศของเขาเท่านั้นและความพินาศที่อริดอร่อยจริงๆก็ต้องเป็นความพินาศที่ตัวได้ทํากับมือด้วยถ้าเขาเจ็บป่วยล้มตายไปเองมันก็ไม่ออกรถ เพราะฉะนั้นคนมีเวนการจึงชอบล้างผลาญคนคู่เวนและล้างผลาญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความพินาทของคู่เวนมันอร่อยดีโบราณท่านสอนว่าหลงได้ผูกเวนกันแล้วมันจะแคล้วกันไปไม่ได้เวนนั่นแหละจะเหนี่ยวผู้มีเวนให้มุ่งหน้าเข้าหาคู่เวนเองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าผูกเวน คือมัดใจเราเองไว้กับความพินาศของคนอื่นการที่คู่เวรมุ่งเข้าหาคู่เวรนั้นเป็นไปตั้งแต่ในชาตินี้ทีเดียวเขาจะต้องให้ได้อยู่ในรัศมีที่จะทาความพินาศให้คู่เวรได้จึงจะสบายใจที่ว่าอยู่ใกล้นั้นไม่ใช่หมายความว่าเข้าไปยืนอยู่ใกล้ตัวเสมอไปไม่ใช่แต่หมายความว่าอยู่ในข่ายที่จะทำอันตรายแก่กันได้ สมมติว่านักเรียนสองคนผูกเวรกันมาตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเวลานี้ออกมาทำงานแล้วสมมติว่าสังกัดกระทรวงเดียวกันถ้าคู่เวรเป็นในอำเภออีกข้างก็จะต้องให้ได้อยู่หน่วยหนึ่งหน่วยใดจะเป็นที่กองหรือกระทรวงก็ได้ที่พอจะเล่นงานในอำเภอได้บางทีอาจอยู่คนละกระทรวงคู่เวรข้างหนึ่งเป็นเจ้าเมือง อีกข้างอาจเป็นผู้พิพากษาแล้วก็อยู่จังหวัดเดียวกันภาคเดียวกันให้มีอันได้ผลานกันได้คนหนึ่งเป็นครูอีกคนก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งเป็นสมภารอีกคนเป็นลูกวัดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าอีกคนก็เป็นลูกน้องดังนี้เป็นต้นพอเป็นเข้าแล้วก็คอยผลานกันแต่ถ้ามีวันจะต้องแยกกันเสีย ไม่มีทางเกี่ยวข้องกันก็ไม่ชอบอีกเหมือนกันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนมีเวนจะต้องอยู่ใกล้คนมีเวนท่านก็ย่อมทราบแล้วจากที่อธิบายมาแล้วทำไมมดจึงหนีน้ำตาลไปไม่ได้คำตอบก็อันเดียวกันก็เพราะใจคนมีเวนมันชอบกินความพินาทของคู่เวนนั่นเองทีนี้พูดถึงชาติหน้าก็เหมือนกับชาตินี้ เพราะใจคนเราอาจต่อเนื่องกันไปได้วานซืนนี้เรารักใครคนหนึ่งแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นเมื่อวานนี้ความรักนั้นยังค้างใจอยู่รักเขาอีกตกกลางคืนนอนหลับไปอีกรุ่งขึ้นวันนี้มันก็ยังรักต่อมาความเกลียดก็เหมือนกันเกลียดใครมาหลายวันหลายคืนแล้วมันก็ยังเกลียดต่อกันมาได้จนกระทั่งวันนี้ มันก็ยังเกลียดการคิดจองล้างจองผลาญที่เรียกว่าเวรก็เหมือนกันชาติก่อนมีเวรกันชาตินี้เวรก็ยังอยู่และเมื่อชาตินี้มีชาติหน้าก็มีเวรต่อไปหากไม่ระงับเวรเสียพูดอย่างนี้บางท่านจะสงสัยและอาจนึกท้วงอยู่ในใจว่าความนึกคิดของคนเรามันสิ้นสุดลงแค่ตายเท่านั้น คิดอยากดูหนังดูลิเกตายแล้วก็เลิกตลอดจนความรู้หลักนักปราชญ์เรียนวิชาไว้ได้กี่หีบกี่ตู้ตายแล้วก็ดับหมดเกิดใหม่ก็ต้องเรียนใหม่แล้วทำไมศาสนาท่านจึงสอนว่าความคิดผูกเวรกันจะต้องพัวพันข้ามภพข้ามชาติไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอตอบเฉลยไว้เลยว่าสิ่งที่เกิดจากจิตใจของคนเรา และแสดงให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันมีอยู่3ามชั้นคือชั้นนิสัยความคิดจากเคยชินชั้นอุปนิสัยความคิดจากแววของจิตชั้นอัธยาศัยความคิดจากพื้นเพเดิมของจิตใน3มชั้นนี้นิสัยเป็นเรื่องของความเคยชินถ้าพลากใจจากสิ่งที่เคยชินนั้นน า, นานไป มันก็ดับไปวิชาความรู้ที่เราท่องเราจำไว้อยู่แค่ชั้นนี้เพราะฉะนั้นตายแล้วจึงดับอุปนิสัยเป็นแววของจิตแสดงออกเมื่อได้รับเหตุรับปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยอุปนิสัยก็แสดงออกไม่ได้เหมือนกับรุ้งแวววาวที่ท่องเหลืองท่องแดงถ้าถูกขัดก็ขึ้นแววถ้าไม่มีใครขัดนา น, น, าน ก็ดำปือแววหลบเข้าอยู่ข้างในส่วนอธัธยาศัยหมายถึงพื้นเพของจิตบางทีเราเรียกว่าสันดานเดิมอันนี้เปลี่ยนยากข้ามภพข้ามชาติได้อุปมาเหมือนโลหะชนิดทองเหลืองสมมติว่าเรามีตุ๊กตาทองเหลืองอยู่ตัวหนึง่งขัดไว้สุกปลั่งมีแววระยับเราดูที่ตุ๊กตานั้นจะเห็นของสามอย่าง คือเห็นรูปตุ๊กตาเห็นแวววาวที่ตุ๊กตาและเห็นโลหะทองเหลืองรูปตุ๊กตาเปลี่ยนง่ายถ้าตกจากที่สูงหรือถูกอะไรทับแรงๆก็เสียรูปรุ้งแววที่ตุ๊กตาก็เหมือนกันปล่อยไว้นานๆก็มัวแววหลบในแต่ในโลหะทองเหลืองสิเปลี่ยนยากตกไปที่ไหนที่ไหนมันก็ยังเป็นทองเหลืองอยู่ จนกว่าจะมีใครเอาไปผสมให้เป็นทองมาล่อหรือแปลธาตุให้ผิดจากเดิมข้อนี้เปรียบกับจิตใจของคนเรานิสัยเปรียบเหมือนรูปร่างตุ๊กตาอุปนิสัยเปรียบเหมือนแวววาวอันเกิดจากโลหะอัธยาศัยหรือสันดานเปรียบเหมือนตัวเนื้อโลหะที่ทำตุ๊กตาวันนี้เขาหล่อเป็นตุ๊กตาโลหะก็เป็นทองเหลือง พรุ่งนี้ยุบตุกตาเอาไปปั้นเป็นทัพีตักข้าวโลหะก็ยังเป็นทองเหลืองปีหน้าเอาทัพีไปตีเป็นมีดบางปอกมะม่วงโลหะมันก็ยังเป็นทองเหลืองใจคนเราก็เหมือนกันถึงตัวจะเป็นอะไรอะไรเปลี่ยนตำแหน่งกี่ครั้งกี่ครั้งเป็นทหารเป็นครูเป็นตำรวจกี่ตลบสันดาณเดิมมันก็ยังอยู่แม้แต่ตายแล้ว จิตก็คงอยู่ในสันดานอย่างนั้นต่อไปถึงชาติหน้าอีกความคิดผูกเวรกันเป็นการฝังความรู้สึกอย่างแรงจนเข้าไปในสันดานของจิตเพราะฉะนั้นเวรกรรมของคนเราจึงต่อเนื่องไปถึงชาติหน้าได้มันจะติดไปจนกว่าเราจะระงับมันเสียถ้าไม่ระงับใจของเราก็จะติดตามไปคอยกินความพินาศของคู่เวรเป็นพักษาร่ำไป ตำราทางศาสนาท่านเล่าเรื่องไว้เป็นตัวอย่างหลายเรื่องเช่นเรื่องอีกากับนกเขาสองตัวนี้ผูกเวรกันมาตั้งแต่ครั้งหาเสียงเลือกตั้งเป็นหัวหน้านกนกเขาก็ว่ากาเป็นนกขี้ขโมยฝ่ายกาก็ว่านกเขาเป็นนกผีไม่น่าไว้ใจเลยจองเวรเป็นคู่ล้างคู่ผลานกันมาเจอกันที่ไหนก็จิกตีกัน แต่แล้วด้วยแรงเวรมันก็หนีกันไม่พ้นกล้าอยู่ป่าไหนนกเขาก็ให้มีอันอยากอยู่ป่านั้นด้วยพังพรกับงูเหา่าก็จองเวรกันมาแต่หัวหลังเจอกันแล้วเป็นต้องแผลนกันให้ยับเยินแต่แล้วมันก็ชอบอยู่ดงหญ้าแห่งเดียวกันคนชาวชนบทบอกว่าเวลาเดินป่าหากเจอพังพรก็ต้องระวังงูเหา่า พระเทวทัตผูกเวรในพระพุทธเจ้าแต่รายนี้ผูกเวรข้างเดียวพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากบ้านเมืองไปบวชอยู่ในป่าแล้วพระเทวทัตก็อุตสาโกนหัวออกไปวิ่งพลานอยู่รอบๆพระคันธ ก, กุฎีนั่นเองคนมีเวรกันแล้วมันไม่คล้วกันได้จริงๆผัวเมียบางคู่อยู่ด้วยกันไม่ผาสุกเลยเมียก็สาบผัวก็แช่ง อยากบีบจมูกให้อีกฝ่ายตายวันละร้อยครั้งแต่พอแยกทางกันไม่กี่วันเลยประเดี๋ยวก็หอบมุ้งคืนมาโอบกันใหม่ดีกันยังไม่กี่อึดใจก็เริ่มด่าแช่งกันอีกนี่ก็แรงเวนเราเรียกว่าคู่เวนรวมความว่าวันนี้เราพูดถึงโทษของการผูกเวนคิดจองล้างจองผลาญกันแต่เข้าไปพูดถึงจุดภายในว่า ทำไมคนผูกเวรกันไว้จึงไปตามกับคู่เวรแล้วก็ล้างผลาญกันเหตุผลสําคัญก็คือการผูกเวรเป็นการเปลี่ยนสันดาณของจิตให้เกิดชอบกินความพินาศของคู่เวรเป็นพักษาลงได้ชอบแล้วตัวก็ไปด้วยเหมือนใจมแมลงวันมันชอบของเน่าผลที่สุดมันก็เลยต้องไปตอมของเน่า